ว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นนะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกกันทางนั้นประกาศอยู่ในกังวานอยู่ภายในการพยจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินพรหมก็ไม่เว้นถ้ากิเลยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกจะมีในสถานที่นั้น นักสัจธรรมคือทุกขอ่าเรายกทุกขสั์ขึ้นเป็นข้อแรกประกาศขนของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆรงทิศประกาศกลางวานันหรือทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เหรอเห็นหรือท่านพูดอย่างถูกต้องเลยนประกาศอยู่กับแต่คนทั่วๆไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจังปัทเธติเตเติ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 ที่เป็นเชื้อให้เกิดคือตลอดเวลาทุกภพ ท, ท, ทุกชาดิล้วนแน่งแต่เป็นไปเพราะขี้เละเป็นเชื้อ น, นี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดหรือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาตปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุหให้เกิดเพราะขี้เละตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในใจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันพวกติทั้งหมดจะนับได้หรือไม่ถด้ก็ตามว่ากี่พวกี่ชาติทีเคยเป็นมา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 ทำหน้าที่วิชรมละอธิกรทําลายวัตจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของจักรทาทําลายหมอดอโลกที่มีอยู่ภายในจิตใจของจักรโลกให้แตกสป็นชิ้นเป็นอันโดยลำหนะักจนกระทั่งทําลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็จปเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นมิมุติปนิพานดุดพนแล้ว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 ทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้นีวเราออยอมทีนี้เราสู้ตอนเห็นไทยชนะกันซึงเรียกว่านักลบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมา ก, ก็หลบหลบหลบหลบห ล, ลบซ่อนเขาก็ตามไปเดียวเลยมไปหลบไปซ่อนสู้มันจนอ้าหามไมเวทีนี่กว่านักมวยเอกว่ะ